มารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศน์ฟังธรร ม, มเพื่อสร้างที่พึ่งที่แท้จริงที่พึ่งที่ถาวรที่พึ่งที่เราจะใช้ต่อไปหลังจากที่พึ่งชั่วคราวคือร่างกายของพวกเราที่จะต้องมีวันแก่มีวันเจ็บ และในวันตายไปเวลาที่เราไม่มีร่างกายถ้าเราไม่มีที่พึ่งทางใจเราก็จะไม่มีที่พึ่งเลยแต่ถ้าเราเตรียมสร้างที่พึ่งทางใจเอาไว้ต่อไปเวลาที่พึ่งทางร่างกายไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้เราก็จะได้มีที่พึ่งแทนเหมือนกับเราซื้อบ้านไว้สองหลัง หลังหนึ่งเราใช้ไปก่อนส่วนหลังใหม่เราผ่อนไปก่อนก่อนซื้อไปเรื่อยๆ<ม>พอหลังเก่าพังไปเราก็ย้ายเข้าหลังใหม่ต่อไปถ้าเราไม่ผ่อนไม่เตรียมซื้อบ้านหลังที่สองเอาไว้เวลาบ้านหลังแรกพังไปเราก็จะไม่มีที่อยู่อาศัย ชีวิตของพวกเราก็ต้องมีที่พึ่งเหมือนกันมีที่พึ่งทางกายและที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางกายก็เป็นที่พึ่งชั่วคราวไม่ถาวรส่วนที่พึ่งทางใจนี้เป็นที่พึ่งถาวรพวกเราส่วนใหญ่มักจะไปพึ่งทางร่างกายกันจนลืมมาพึ่งทางใจ มาสร้างที่พึ่งทางใจพระพุทธเจ้าเลต้องสั่งให้เข้าวัดกันอย่างน้อยอาทิตย์นะหนึ่งครั้งส่งกำหนดวันพระไว้วันพระนี้คือวันที่เราจะมาสร้างที่พึ่งทางใจกันแต่สมัยนี้วันพระไม่ตรงกับวันหยุดการทำงานของพวกเราเราหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ ส่วนวันพระนี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆข่าวที่แล้วก็เป็นวันพระรหัสต่อไปก็จะเป็นวันศุกร์จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นพวกเราต้องมาปรับวันพระของพวกเราใหม่เพราะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องกับวันที่เขากำหนดไว้วันพระสมัยก่อนตรงกับวันหยุดทำงานนั่นเองวันพระชาวนาชาวไร่จะหยุดทา ไล่ไถานาหนึ่งวันเพื่อจะได้เข้าวัดมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อมาสร้างที่พึ่งทางใจสมัยนี้เราหยุดวันเสาร์อาทิตย์กันเราต้องมาทำวันเสาร์วันอาทิตย์วันใดวันหนึ่งให้เป็นวันพระของเรา คือเราไม่ต้องไปทำงานในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เราก็มาวัดกันเอาถือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เป็นวันพระของพวกเราวันพระสมัยใหม่คือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์พอเรามาเราก็จะได้มาสร้างที่พึ่งทางใจกันได้ถ้าเรามารอให้เป็นวันพระ นานๆจะตรงกับวันเสาร์ ว, วันอาทิตย์สักครั้งหนึ<ม>่งเวลาที่จะสร้าง<ม>ที่พึ่งอาศัยทางใจ<ม>ก็จะมีน้อยมากมก็จะไม่พอกับเวลา<ม>ดังนั้นเราต้องมาถือวันพระในวันหยุดทำงานของเรา<ม>เช่นวันเสาร์ ว, วันอาทิตย์<ม>อย่างวันนี้ญาติโยมก็ได้มาวัด ม, มาทำบุญทำทาน มารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทาใจให้สงบฟังธรรมให้เกิดปัญญานี่คือวิธีสร้างที่พึ่งทางใจถ้าเรามีที่พึ่งทางใจแล้วต่อไปเวลาที่เราเพึ่งร่างกายไม่ได้เราจะไม่เดือดร้อนเพราะว่าเรามีที่พึ่งเตรียมมาไว้ เหมือนกับเรามีบ้านหลังที่สองพอบ้านหลังแรกพังไปเราก็ย้ายเข้าบ้านหลังที่สองได้เลยแต่ถ้าเราไม่สร้างหรือซื้อบ้านหลังที่สองไม่ผ่อนไว้ก่อนเดี๋ยวพอเวลาหลังแรกพังไปเราก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยจะต้องไปนอนใต้สะพานไปอยู่อาศัยสถานที่ คนร้ญาตไปอาศัยวัดอาศัยวาอยู่กันดังนั้นเราต้องมาสร้างบ้านหลังที่สองกันมาสร้างที่พึ่งทางใจกันสิ่งที่จะทำให้เราได้ที่พึ่งทางใจก็คือหนึ่งการทำบุญทำทาน 2. การรักษาศีลสาการปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิทำใจให้สงบฟังธรรมให้เกิดปัญญาถ้าเรามีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะมีที่พึ่งทางใจเวลาที่พึ่งที่พึ่งทางร่างกายหมดไปหรือไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้เราก็ใช้ที่พึ่งทางใจต่อไปได้ ที่พึ่งทางใจนี้ดีกว่าที่พึ่งทางร่างกายเพราะว่าไม่มีวันเสื่อมเหมือนกับที่พึ่งทางร่างกายที่พึ่งทางใจนี้จะติดตัวไปกับเราเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็ยังมีที่พึ่งทางใจพาให้เราไปอยู่ในโลกที่ที่มีที่ดีให้เราอยู่ เพราะว่าเรามีที่พึ่งทางใจไปถ้าเราไม่มีที่พึ่งทางใจเวลาร่างกายตายไปเราก็จะไปได้ที่อยู่ที่ไม่ดีคือเราจะไปอยู่ในอบายกันคนที่ไม่ทำบุญทำทานไม่รักษาศีลไม่นั่งสมาธิไม่ฟังเทศน์ฟังธรรมเวลาตายไปนี้จะต้องไปอยู่ในอบาย มีอยู่สี่ที่ด้วยกันไปอยู่ที่ของเดลฉานอยู่ที่ของเปรตอยู่ที่ของอสุรกายและอยู่ที่ของนรกนี่คือที่ไปสำหรับผู้ที่ไม่สร้างที่พึ่งทางใจไม่ทำบุญทำทานไม่รักษาศีลไม่นั่งสมาธิไม่ฟังเทศน์ฟังธรรมดังนั้น<ม>พวกเรา ถ้าเราเชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้เป็นความจริงเราก็ต้องรีบมาสร้างที่พึ่งทางใจกันเพราะว่าเวลาของเราไม่แน่นอนไม่รู้ว่าใครจะอยู่ไปยาวนานเพียงไรบางคนอาจจะเสียชีวิตในวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้บางคนก็อยู่ไปถึงร้อยปีก็ได้ ไม่มีอะไรแน่นอนเรื่องของชีวิตพระพุทธเจ้าจึงสงสอนให้พวกเราอย่าประมาทกันให้คิดว่าเราอาจจะตายได้ในวันนี้แล้วถ้าเกิดเราตายในวันนี้ถ้าเราไม่ได้สร้างที่พึ่งทางใจไว้เลยเราก็จะต้องไปอาบายกันแต่ถ้าเราสร้างที่พึ่งเอาไว้ถ้าเกิดเราตายวันนี้เราก็จะไปสวรรค์กัน ไปเป็นเทพไปเป็นพรหมไปเป็นพระอาริยเจ้ากันนี่คือสิ่งที่พวกเราไม่รู้กันมองไม่เห็นกันเพราะเรามองไม่เห็นตัวเราตัวเรานี้ที่แท้จริงไม่ใช่เป็นร่างกายร่างกายเป็นเพียงตัวแทนของเราเป็นผู้รับใช้เราตัวจริงแท้ของเราก็คือใจที่ไม่มีรูปร่างหน้าตา มีแต่ความรู้สึกนึกคิดเราเป็นผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแล้วเราก็เป็นผู้รับผลของการกระทำของร่างกายเราสั่งให้ร่างกายไปเที่ยวเราก็ได้รับความสุขจากการไปเที่ยวเราสั่งให้ร่างกายไปทำบาปเราก็จะได้รับความทุกข์ จากการทำบาปของร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นผู้รับผลของการทำบุญหรือของการทำบาปเราเป็นผู้รับผลดังนั้นขอให้เรามาทำในสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราเป็นที่พึ่งสำหรับเราอย่าหลงหาที่พึ่งทางร่างกายไป เพราะว่าต่อไปร่างกายจะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายเวลานั้นจะไม่สามารถที่จะทำอะไรต่างๆเหมือนกับตอนที่เราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ถ้าไม่มีที่พึ่งทางใจถ้ามีที่พึ่งทางใจใจจะไม่เดือดร้อนใจจะไม่ทุกข์ใจจะมีความสุข เหมือนกับตอนที่ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายดังนั้นขอให้เรามาทำทานทานนี้แปลว่าการให้ขอเราให้สิ่งที่เรามีอยู่อย่าไปหาสิ่งมาต่างๆมาให้คือหาได้แต่ไม่จำเป็นจะต้องหามาเพื่อเอามาทำบุญทําทานที่เราหากันนี้ก็เพื่อหามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกัน แต่บางทีหามาแล้วมันได้มากเกินกว่าที่เราจะใช้ได้เราก็เอาส่วนเกินนี้มาให้คนอื่นเรียกว่าทำบุญทำทานถ้าเราไม่มีสิ่งของจะให้เราก็ยังมีอย่างอื่นที่จะให้ได้สิ่งที่เราจะให้ได้ก็คือวิชาความรู้ถ้าเรารู้จักวิธีทำกับข้าวกับปลา เราเอาไปสอนคนอื่นโดยไม่คิดเงินเราก็ได้ทาทานเหมือนกันแทนที่จะให้เข้าของเงินทองเราก็ให้วิชาความรู้อย่างนี้เรียกว่าวิทยาทานเช่นถ้าเราเป็นหมอหรือเป็นพยาบาลเราก็ไปสอนคนให้รู้จักวิธีดูแลรักษาสุขภาพร่างกายรู้จักวิธี รักษาเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยโดยที่ไม่คิดเงินคิดทองหรือเปิดคลินิกแบบห้าบาทรักษาทุกโรคคนยากคนจนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปคลินิกห้าบาทเสียห้าบาทแล้วหมอก็จะรักษาโรคภัยต่างๆคิดเพียงหาบาทเท่านั้นหรือถ้าคนไม่มีเลย ก็อาจจะไม่คิดเลยก็ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทําบุญเหมือนกันการทําบุญไม่จําเป็นว่าจะต้องทํากับพระสงฆ์องค์เจ้าเพียงอย่างเดียวถึงจะได้บุญทํากับใครก็ได้บุญเหมือนกันทํากับพระสงฆ์องค์เจ้าทํากับคารวาสญาติโยมทํากับสุนัขทํากับแมวทํากับปลากับนกเช่นปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้บุญเหมือนกัน บุญนี้คือความสุขใจความอิ่มใจที่จะเป็นที่พึ่งของใจจะทำให้เราอยู่เฉยๆได้โดยไม่รู้สึกว่าเราขาดสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะบุญนี้เป็นอาหารของใจนั่นเองดังนั้นขอให้เราทำบุญกันทำกับใครที่ก็ได้ทำกับคนใกล้ตัวก่อนสามีภรรยาบุตรธิดาบิดามารดา ญาติสนิทมิตรสหายถ้าเขามีพอแล้วเราก็ไปทำกับคนที่เขาไม่มีกันที่เราไม่ได้ทำกับคนใกล้ตัวเราเพราะส่วนใหญ่เขามีพอแล้วเราจึงไปทำที่ไม่มีกันเช่นเรามาทำที่วัดเพราะพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่มีอาหารถ้าญาติโยมไม่เอาอาหารมาเลี้ยงพระสงฆ์องค์เจ้าก็ต้องอด ถ้าไม่เอาจีวรมาถวายเพราะสงหองเจ้าก็จะไม่มีเครื่องนุ่งห่มไม่สวมใส่เราจึงมาวัดกันแต่การทำบุญที่วัดนี้นอกจากได้บุญแล้วเรายัางได้ของแถมกลับไปด้วยเราจะได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมกันได้ธรรมะกลับไปธรรมะนี่เป็นของที่มีค่ายิ่งกว่าข้าวของเงินทองต่างๆ เพราะข้าวของเงินทองต่างๆไม่สามารถดับความทุกข์ภายในใจของเราได้แต่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้สามารถดับความทุกข์ในใจของเราได้สามารถทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้แต่เงินทองนี้นอกจากไม่สามารถทำให้เราดับความทุกข์ได้แล้ว ยังกลับทำให้เรามีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเพราะเราจะวิตกกังวลกลัวว่าเงินทองจะหมดกลัวว่าเงินทองจะหายแล้วเวลาเงินทองหายไปก็เสีย อ, อกเสียใจนี่คือเงินทองเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ของธรรมะแล้วต่างกันธรรมะนี้ทำให้เราสุขให้เราสบาย ไม่มีเงินทองไม่มีอะไรเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะธรรมะจะทําให้ใจของเราอิ่มทาให้ใจของเรามีความสุขนั่นเองนี่คือเหตุผลที่เราเวลาทําบุญเราเลือกคนหรือไม่เลือกคนนะทำถ้าเราต้องการสิ่งตอบแทนจากคนที่เราทําเราก็ต้องเลือกเช่นถ้าเราต้องการความรู้ทางสุขภาพร่างกาย เราก็ไปทาที่โรงพยาบาลทากับหมอเดี๋ยวเราก็ได้คุยกับหมอหมอก็จะเล่าเรื่องวิธีดูแลรักษาร่างกายให้กับเราถ้าเราอยากจะได้ธรรมะเราก็ต้องไปทาที่วัดไปทาที่วัดที่มีการแสดงธรรมมีหนังสือธรรมะแจกเราก็จะได้ธรรมะกลับไปด้วยนอกจากบุญคือความอิ่มใจสุขใจแล้ว เรายัางได้ธรรมะความรู้ที่จะดับความทุกข์ภายในใจของเราไปด้วยคนจึงมักนิยมทาบุญกับวัดมากกว่าทาบุญที่อื่นเพราะที่อื่นไม่มีธรรมะมีที่วัดเท่านั้นที่มีธรรมะน่ามักอยากจะทำบุญกับพระที่เก่งพระที่ฉลาดเพราะพระที่ฉลาดที่เก่งนี้ จะมีธรรมะมากกว่าพระที่ไม่เก่งไม่ฉลาดนั่นเองจึงมีการพูดเปรียบเทียบ ว, ว่าถ้าทาบุญกับพระธรรมดาได้สิบเท่าถ้าทาบุญกับพระอริยเจ้าขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันก็จะได้ร้อยเท่าทำบุญกับพระสกิดาคามีก็ได้พันเท่าทำบุญกับพระอนาคามีก็ได้หมื่นเท่า ทำบุญกับพระอาหารหันต์ก็ได้แสนเท่าทำบุญกับพระพุทธเจ้าก็ได้ล้านเท่าเพราะว่าพระเหล่านี้ท่านมีความรู้มีธรรมะไม่เท่ากันนั่นเองพระพุทธเจ้ามีธรรมะมากที่สุดทำบุญกับพระพุทธเจ้าอาจจะบรรลุในขณะที่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเลยก็ได้ในสมัยพุทธกาลนี้มีคนบรรลุทา จากการฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ากันเป็นจำนวนมากเพราะพรอพุทธเจ้าจะอ่านใจของเราได้จะรู้ว่าตอนนี้ใจเรากำลังติดกำลังทุกข์กับเรื่องอะไรและจะรู้วิธีแก้ความทุกข์ใจของพวกเราพอท่านพูดตรงใจปับ๊บความทุกข์ก็หายไปเลยบรรลุทำได้เลยเพราะความสามารถของคนสอน นอกจากมีธรรมะแล้วยังมียานอย่างทราบถึงความทุกข์ของเราใจของเราว่ากำลังทุกข์กับเรื่องอะไรสอนได้ตรงเหมือนกับหมอที่สามารถวิเคราะห์โรคภัยไข้เจ็บได้อย่างแม่นยำพอคนไข้ามาเล่าให้ฟังว่าเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้หมอวิเคราะห์เดี๋ยวเดียวก็เอาอยามาให้กินกินสองสามวันก็หายเลย ที่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราไปทาบุญกับพระที่มีธรรมะมากๆาก่ะถ้าพระมีธรรมะน้อยหน่อยก็เหมือนกับหมอที่ไม่ค่อยเก่งอาจจะวิเคราะห์โรคผิดก็ได้แทนที่จะให้ยาชนิดนี้กลับไปให้ยาอีกชนิดหนึ่งกินแล้วก็ไม่หายหลือหายช้าก็ได้อันนี้คือเหตุผลว่าทำไม คนทําบุญบางคนเขาถึงเลือกทำเลือกทำกับพระบางรูปกับบางรูปเขาไม่ทำํำแต่คนบางคนเขาไม่เลือกเพราะว่าเขาไม่ต้องการธรรมะเขาต้องการที่จะทําบุญให้เขามีความสบายใจเขาก็ไม่ต้องเลือกพระไปเจอพระที่ไหนใส่บาตรก็ได้หรือไปที่วัดไปเจอพระรูปไหนจะถวายสังฆทานก็ถวายได้เลย เพราะว่าเขาไม่ต้องการธรรมะถวายเสร็จขอให้กวดน้ำให้พรก็พอแล้วญาติโยมบางคนมาทาบุญที่วัดก็ขอทำบุญใส่บาตรอย่างเดียวเสร็จแล้วก็ขอกลับบ้านไม่อยู่รอนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมต่อไปเพราะว่าไม่ต้องการธรรมะนั่นเองเพียงแต่ต้องการทำบุญให้สบายใจให้อิ่มใจก็ไม่ต้องเลิกพร ะ, ะนี่คือคำตอบคาถาม ที่มักจะถามกันอยู่เรื่อยๆว่าทำบุญต้องเลือกพระหรือไม่ก็แล้วแต่เราว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการธรรมะเราก็ต้องเลือกพระหาพระที่มีธรรมะให้เราถ้าเราไม่ต้องการธรรมะต้องการความอิ่มใจสุขใจก็ไม่ต้องเลือกและไม่ต้องเลือกคนผู้รับเสียด้วยซ้ําไปทำบุญกับพ่อแม่ที่บ้านก็ได้ พ่อแม่ของเราก็เป็นพระอาหารหันต์ของเราอยากจะสบายใจก็ซื้อข้าวซื้อของซื้ออาหารซื้ออะไรมาให้พ่อแม่กินก็ได้เราก็จะมีความสุขใจเหมือนกับเราได้ไปทำบุญกับพระถ้าหาพระไม่ได้มีสุนัขจรอ์จับมาหาข้าวให้มันกินก็ได้ก็ได้ความสุขใจเหมือนกันยังถ้าเราต้องการความสุขใจเราไม่ต้องเลือก ใครก็ได้พระก็ได้โยมก็ได้สุนัข ก, ก็ได้แมวก็ได้ปลาก็ได้นกก็ได้ทําได้ทำแล้วเรามีความสุขใจเหมือนกันแต่ถ้าเราต้องการธรรมะหรือต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งจากคนที่เราไปทําบุญด้วยเราก็ต้องเลือกถ้าต้องการความรู้ก็ไปทํากับโรงเรียนทํากับมหาวิทยาลัยเราก็จะได้ คุยกับครูกับอาจารย์ท่านก็จะสอนเราเรื่องความรู้ต่างๆนี่คือเรื่องของการทำบุญทำทานถ้าเรามีของส่วนเกินก็ทำไปถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรทำอย่างอื่นได้เพราะมีบุญที่สูงกว่าที่ดีกว่าจากการทำทานก็คือการรักษาศีลถ้าไม่มีเงินทำบุญทำทานก็มารักษาศีลห้ากัน อย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเวณีอย่าพูดปดอย่าเสพสุร า, ยาอย่าเมาก็จะได้บุญมากกว่าบุญที่เกิดจากการทำทานเสียอีกถ้าเรารักษาศีลได้ตายไปเราไม่ต้องไปเกิดในอบายจะไปกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าทำบุญด้วยก็จะได้ไปเที่ยวสวรรค์ก่อนแล้วค่อยกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้า ทำทานอย่างเดียวไม่รักษาศีลตายไปยังต้องไปอบายได้อยู่เพราะการทําบุญทําทานนี้ไม่สามารถปิดประตูอบายได้สิ่งที่จะปิดประตูอบายได้ก็คือการรักษาศีลห้าถ้ารักษาศีลห้าได้ตายไปไม่ต้องไปเกิดในอบายกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยหรือว่าถ้าได้ทำบุญด้วยก็ไปเที่ยวในสวรรค์ก่อน แล้วค่อยกลับมาเป็นมนุษย์ต่อไปนี่คือเรื่องการทาบุญทาไปตามกำลังตามฐานะของเราทางศาสนาไม่ได้สอนให้ไปหาเงินทองมาเพื่อมาทาบุญญาตโยมหาเงินทองตามเรื่องของญาติโยมหามาแล้วถ้ามีเกินไม่ต้องใช้ก็เอาไปทำบุญดีกว่าเอาไปเที่ยวเอาไปเล่นเพราะว่า การใช้เงินตามความอยากนี้เหมือนไปซื้อยาเสพติดซื้อแล้วก็จะติดก็อยากจะซื้ออยู่เรื่อยๆเวลาไม่มีเงินซื้อก็จะเดือดร้อนจะไม่สบายใจแต่เอาเงินมาทําบุญแล้วนี่จะไม่เดือดร้อนเวลาเงินหมดไม่มีเงินทําบุญจะไม่รู้สึกเดือดร้อนจากการไม่ได้ทําบุญนี่คือประโยชน์คือความสุขทางใจ ที่เราจะสร้างกันไว้เพราะต่อไปเราจะไม่มีร่างกายเราก็ต้องอาศัยความสุขทางใจที่เกิดจากการทำทานก็ดีจากการรักษาศีลก็ดีหรือเกิดจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบก็ดีถ้าเรานั่งสมาธิได้เราก็จะมีความสุขเหมือนกับเราได้ไปเที่ยวเหมือนกับเราได้ไปดูหนังฟังเพลงแต่ดีกว่าว่า เราไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไปกับการไปเที่ยวไปกับการไปดูหนังฟังเพลงเราเพียงแต่นั่งหลับตาท่องพุโทโธพุโทโธไปไม่ให้ใจคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอใจไม่คิดแล้วใจก็จะสงบพอใจสงบแล้วก็จะมีความสุขมีความสุขยิ่งกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงซะอีก แล้วถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้รู้วิธีสร้างความสุขและวิธีดับความทุกข์ว่าความสุขของเราเกิดจากการทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิความทุกข์ของเราเกิดจากการทำตามความอยากต่างๆเพราะความความอยากทาตามความอยากแล้วก็จะทำให้เราติดเหมือนคนติดยาเสพติดเวลาอยากแล้วไม่ได้ทําก็จะทุกข์ขึ้นมา เราก็จะเริมทำตามความอยากต่างๆจะทำอะไรก็ทำด้วยเหตุผลทำด้วยความจำเป็นเช่นถึงเวลาต้องไปทำงานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ไปพอมีเงินพอแล้วก็หยุดทำไม่ต้องทำให้ล่ำให้รวยตายไปก็เอาไปไม่ได้เงินที่เอามาซื้อของตามความอยากก็จะเป็นโทษกับคนทำอย่าไปทำ ห า, าเงินพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอเอาเวลาที่เหลือมานั่งสมาธิดีกว่ามารักษาศีลดีกว่ามาทำบุญทำทานมาฟังเทศน์ฟังธรรมดีกว่าแล้วเราจะมีที่พึ่งทางใจต่อไปเวลาไม่มีเงินก็จะไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายตายไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราจะไปสวรรค์หรือไปนิพพานเลย นี่คือการสร้างที่พึ่งทางใจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาทำกันอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเป็นจุดเริ่มต้นต่อไปถ้าเราทําแล้วเห็นผลดีเราก็จะอยากทํามากขึ้นไปเองและต่อไปอาจจะมาอยู่วัดตลอดเลยก็ได้เพราะไม่มีอะไรดีกว่าที่พึ่งทางใจจึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างที่พึ่งทางใจ ให้ท่านได้ไปพนิดพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญที่ถาวรนที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระีละตนเาใจและบุญกุศลที่ท่านได้มาทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ แข็วแร่งปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากัรเธอ